คส่วนใหญ่มาวัดก็ปรารถนาความสงบใจหรือความสบายใจจะว่าความสงบใจหรือความสบายใจจากการมาวัดนี่แต่และคนก็มีวิธีการที่ไม่เหมือนกันบางคนมาวัดก็เพื่อสดอเคราะห์พอสดอเคาะห์หรือว่า บางทีมีพิธีกรรมอย่างที่เขาเรียกว่าแก้กรรมนะซึ่งที่จิมก็เป็นแค่จุดขายนะก็รู้สึกสบายใจบางคนมีความรุ่มร้อนพอได้มาทำบุญเกิดความหวังว่าจะหายจากทุกข์หายจากโศกก็สบายใจ จิตใจทู่รุ่มรอนะ้อนก็สงบเย็นบางคนเนี่ยเพียงแค่ได้มากราบพระพุทธรูเปเียนพระพักที่อิ่มเอิบเปรียมด้ยวยเมตตาก็รู้สึกเกิดกำลังใจขึ้นมาที่เคยท้อแท้หดทูห่อเหี่ยวนะก็เกิดมีกำลังใจมีความหวังแล้วก็รู้สึกสบายใจ แต่บางคนก็มีความทุกข์มากกว่า น, นั้นนะสูญเสียคนรักหรือว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายบางครั้งมาทำบุญมาสะดอกเคราะห์ก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้จิตใจสงบเย็น หรือว่าสบายใจได้วิธีการที่ว่าเนี่ยมันก็มันอาจจะให้ผลได้ก็จริงนะแต่ว่าให้ผลได้ชั่วคราวมันจะเป็นการพึ่งพาสายสิ่งนอกตัวอยู่จะดีกว่านะถ้าว่าเรารู้จักพึ่งพาตัวเองได้สามารถที่จะ สุกใจของตนให้พบกับความสงบอันนี้มันต้องอาศัยการปฏิบัติที่สมัยเริ่มปฏิบัติธรรมนะหรือบางทีก็เรียกว่าการภาวนาการทำสมาธิหรือการทำกรรมฐานอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้หลายคนมาที่นี่นะ ึ่งก็ไม่ใช่ามาง่ายนอกจากต้องจัดสรรเวลาหลายๆวันสำหรับการปฏิบัติแล้วนี่ยังต้องเดินทางไกลถ้ามาแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะพบกับความสงบได้อย่างที่หวังทันทีนะหลายคนมาก็ใหม่ๆก็จะรู้สึก เหงาบ้างละหรือว่าอาจจะถึงขั้นเบื่อเซงเพราะว่าชีวิตแระบรรยากาศที่นี่มันราบเรียบบางทีก็เกิดความว้าวุ่นฟุ้งซ่านขึ้นมาเพราะว่าจิตเนี่ยซึ่งมันเคยไปจดจ่ออยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่น่าเพลิดเพลิน หรือหน้าตื่นตาตื่นใจจงกระทั่งมันดูเหมือนนิ่งเช่นดูหนังฟังเพลงนะเวลาดูหนังฟังเพลงนี่นะใจมันก็ดูเหมือนว่าหายว่าวุ่นนะหรือว่าทำงานทำการมีงานมีการทำจิตมันก็จดจ่ออยู่กับงานมันก็เลิกว่าวุน่นชั่วคราวแต่พอมาอยู่ที่นี่นะมันไม่มีอะไร ดึงดูดใจมากไม่มีหนังให้ดูไม่มีเพลงให้ฟังไม่มีงานให้ทำจิตมันก็เลยอพอไม่มีงานทำนนมันก็เลยเอาละท่องเที่ยวเฉลยฉลคิดฟุ้งปรุงแต่งไปต่างๆนานา น, นี้เป็นธรรมดาของคนที่มาอยู่วัดใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นครือันหรือว่า บวชพระมาแต่ว่าพออยู่ไปสักพักนะใจมันจ ะ, จะเริ่มสงบลงนะเหมือนกับ น, น้ำที่มันเคยถูกคนนะจนตะกอนนี่มันฟุ้งตลบตะกอนที่ฟุ้งเนี่ยในแก้วน้ำพอปล่อยไปสักพักเนี่ยมันก็ค่อยนอนก้นนะน้ำก็เริ่มใสนะสิ่งแวดล้อมนะวิธีชีวิต ของที่นี่เนี่ยมันก็เกื้อกูลที่ช่วยทำให้ใจเนี่ยสงบลงได้ไม่ยากชีวิตที่ไม่เร่งรีบแล้วก็กิจก็น้อยรวมทั้งผู้คนนะที่อยู่ด้วยกันต่างคนต่างอยูนะ่มีความคิดเห็นหรือว่ามีวิธีการปฏิบัติคล้ายๆกัน ไอการกระทบกระทั่งด้วยวาจาด้วยคำพูดหรือด้วยการกระทำมันก็น้อยยิ่งถ้ามีวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติได้ถูกต้องนะใจมันก็สงบอันนี้เพราะอาศัยสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมทางกายภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมทาง ผู้คนนะหรือสิ่งอารลอมทางสังคมเนี่ยมันช่วยเกื้อกูลกล่อมเกลาให้ใจเนี่ยค่อยๆสงบเย็นและยิ่งถ้ามีาการปฏิบัติอย่างจริงจังนะมันก็รู้วิธีที่จะทำให้ใจเนี่ยหายว้าวุ่นฟุ้งซ่านได้พออยู่ไปอยู่ไปถ้าไม่ทิ้งความเพียร น, นะ ก็จะได้พบกับความสงบในจิตใจแต่ว่าไอการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยก็จะหวังเพียงแค่พบความสงบนะการปฏิบัติเนี่ยมันควรจะทำให้เราพร้อมที่จะเจอความไม่สงบด้วยนะถ้าเราปฏิบัติเพียงเพื่อจะได้พบกับความสงบเราก็จะผิดหวังเพราะว่าเวลาเปลี่ยนสถานที่ เวลาเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมหรือว่าเวลากลับไปบ้านมันเจออะไรหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนกับที่นี่ชีวิตที่เร่งรีบการงานที่มากมายแล้วก็ผู้คนที่อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันไม่เป็นไปดังใจในความสงบที่พบในวัดพอกลับไปถึงบ้านไม่ทันเลยมันก็แตกกระเจิง อีกอย่างนึ้งคือว่าใจของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะส ง, สงบได้ตลอดเวลาวันนี้เราปฏิบัติเราทำความเพียรเราได้พบความสงบความฟุ้งซ่านนี่มันเรียกว่ากบดานแต่ว่าพอวันนี้นี ความคิดฟุ้งซ่านมันก็พลั่งพลูไอ้ที่เคยสงบเมื่อวานเนี่ยวันนี้ไม่สงบเสร็จแล้วเพราะงั้นการปฏิบัติเนี่ยมันก็ดีนะที่มันทำให้เราได้พบกับความสงบในใจแต่ว่ามันจะดียิ่งขึ้นนะถ้ามันสามารถชื่อททำให้เราพร้อมที่จะเจอความไม่สงบในใจด้วย แม้ว่าเราจะปรารถนาความสงบปรารถนาความโปร่งความเบาให้เกิดขึ้นในใจนะแต่ว่าอย่าลืมว่าใจเนี่ยมันไม่อยู่ในอำนาจของการควบคุมของเราเพราะเราเป็นอนัตตานะนี่เป็นลักษณะหนึ่งนะองอนัตตาคือไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความต้องการได้และใจเนี่ยนะมันก็ เป็นสิ่งหนึ่งนะที่เราบังคับบัญชาไม่ได้อยากให้มันสงบแต่มันก็ไม่สงบอยากให้มันเย็นแต่มันกลับร้อนอยากให้โปร่งเบามันกลับหนักอึ้งบางทีดูเหมือนก็ไม่มีเหตุผลนะบางวันนี่สดชื่นแจ่มใสแต่พออีกวันหนึ่งก็กลายเป็นหม่นหมองหรือว่า ตื่อเป็นพัใจของเราเนี่ยเป็นพัใจเนี่ยนะมันไม่อยู่แนวอำนาจการควบคุมของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็ไม่สงบบางทีมันก็หม่นหมองบางทีมันก็หนักอึ้งเราต้องเรียนรู้ที่จ ะ, ะเผชิญกับ อารมณ์เหล่านี้ได้อย่างถูกต้องด้วยหรือผู้ย่างคือต้องพร้อมเจอกับอารมณ์เหล่านี้ซึ่งเรียกลมๆว่าความไม่สงบการปฏิบัติที่ทำให้เราพบความสงบเนี่ยนะอันนี้ดีอยู่แต่ถ้ามันไม่สามารถจะทำให้เราพร้อมที่จะเจอความไม่สงบมันก็ยังไม่ใช่เป็นการปฏิบัติที่น่าไว้วางใจได้หรือจะเป็นที่พึ่งพาใัยได้ เราต้องพร้อมนะที่จะเจอความไม่สงบในจิตใจแม้ว่าเราจะทำความเพียรมาเยอะเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งนะของธรรมชาติของใจเราเราปฏิเสธเรานี้มันไม่ได้ความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดความขุนมัวตราใดที่เราเป็นปุตุชนอยู่เนะก็ต้องเจอแม้ว่า เราจะทำความเพียรปฏิบัติได้พบความสงบนะในวัดก็ดีในห้องพระก็ดีแต่ความสงบที่เราพบเนี่ยมันไม่เที่ยงนะนะมันก็เป็นธรรมชาติของสรรพสิ่งนะที่มันไม่เที่ยงวันดีคืนดีมันก็หายไปมีความไม่สงบมาแทนที่นั่นเราต้องพร้อมนะที่จะเจอความไม่สงบเมื่อมัน ผ่านเข้ามาในใจของเราเราจะพร้อมเจอกับความไม่สงบได้อย่างไรนะสิ่งหนึ่งที่ช่วยเราได้คือการมีสติเพราะมีสติเนี่ยสติมันช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเป็นเครื่องช่วยรักษาใจไม่ให้ถล่าเข้าไปในความไม่สงบนั้นมันเกิดขึ้น ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างที่เราคุมไม่ได้แต่อย่างหนึ่งที่เราทำได้คือว่ามีสติรักษาใจไม่ให้ถล่เข้าไปในความไม่สงบนั้นอย่างที่หลวงพ่ออมเขียนตั้งใช้ว่าเห็นนะไม่เข้าไปเป็น่วนหนึ่งมาเกิดขึ้นจากการยอมรับความจริงนะว่าใจมันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่ใช่ว่าจะมีแต่สิ่งดีๆที่ เราปรารถนาไอาสิ่งที่เราไม่ปรารถนามันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเราผลักไสมันถ้าเราบ่นโวยวายตีโพยตีพายมันก็ยิ่งไม่สงบเข้าไปใหญ่นักปฏิบัติหลายคนที่ปรารถนาความสงบแต่สุดท้ายลงเอยด้จิตใจที่ว้าวุ่นนะ เพราะว่าเขาไม่รู้วิธีที่จะรับมือหรือเผชิญกับความฟุ้งซ่านอย่างไรเช่นพอเจอความฟุ้งซ่านเข้าไปกดข่มมันเวลาเจอความหงุดหงิดก็เข้าไปผักไสมันมีอาการมีความสึกลบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทีจริงเนี่ยเป็นแค่รู้ซื่อเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะนะเราห้ามไม่ให้มันเกิดไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือรู้นะ รู้ซื่ อ, อมันเกิดขึ้นก็แค่รู้เฉยๆไม่ตามแล้วก็ไม่ต้านแต่ก่อนนี่ตามเตพุทธพื้ปล่อยใจไปตามอารมณ์ตอนหลังพอมาปฏิบัติไม่ตามแล้วแต่จะต้านตอนนั้นก็ไม่ถูกนะแต่ถ้าเรารู้จักนะดูมัน ดูมันอยู่ห่างๆ ห, หรือว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆเนี่ยมันก็ทำอะไรจิตใจไม่ได้นะนี่เป็นวิธีหนึ่งนะั่นในการรับมือกับความไม่สงบหรืออารมณ์อกุศลที่เกิดขึ้ น, นการปฏิบัติแบบหลงวงพ่อเทียนเนี่ยนะมันเป็นวิธีการเตรียมให้เรามีความพร้อมในการรับมือนะกับความไม่สงบ เพราะว่าเป็นวิธีการที่ไม่ได้เน้นการบังคับจิตไม่มีการปิดตาแล้วก็ไม่ได้ให้อยู่นิ่งๆคนที่อยากจะได้ความสงบในจิตใจเนี่ยเขาก็อยากจะปิดตาถ้าปิดหูได้ก็ยิ่งดีปิดหูไม่ได้ก็ปิดหน้าต่างปิดประตูเพื่อไม่ให้มีเสียงดังแล้วก็บังคับจิตไม่ให้มันคิด พอจิตไม่คิดนะมันก็สงบแต่จิตมันบังคับไม่ได้แม้ว่าจะพยายามบังคับจิตให้เพ่งอยู่กับเท้าอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องมันก็ไม่ยอมมันก็ต่อสู้ขัดขืนแล้วยิ่งทำมันก็ยิ่งพยศนะกลายเป็นว่ายิ่งอยากสงบกลายเป็นยิ่งไม่สงบขึ้นไปใหญ่ หรือถึแม้จะสงบนะแต่ก็อย่างที่ว่านะคือไอ้ความสงบที่เกิดขึ้นมันก็เป็นของชั่วคราวพอออกจากวัดนะเปิดโทรศัพท์เห็นข้อความนะจะเป็นข่าวสารบ้านเมืองหรือว่าเป็นเรื่องราวข่าวคราวของญาติพี่น้องป่วยไม่สบายหรือมีปัญหาเกี่ยวกับงานการ แค่เห็นข้อความนี่ใจก็กระเพื่อมแล้วพอใจกระเพื่อมเนี่ยนะไม่รู้วิธีรับมือกับใจที่กระเพื่อมไม่รู้วิธีที่จะรับมือกับความวิตกความกังวลความหงุดหยินผลที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือว่าวุ่นฟุ้งซ่านเข้าไปใหญ่เลยกลายเป็นความไม่สงบหนักเข้าไปแต่ถ้าเรารู้จักนะรู้จักรับมือกับมัน าการปฏิบัติหลวงพัอเทียนเนี่ยนะไม่ได้เน้นเรื่องการควบคุมความคิดถ้าไม่ได้สอนให้ห้ามคิดมันจะคิดก็เป็นเรื่องของมันแต่ว่าเราไม่ไปคิดไม่คิดไปกับมันการปฏบิบัติบางอย่างเนี่ยแบบที่เราคุ้นเคยจะเป็นเน้นเรื่องการควบคุมความคิดเพราะเชื่อว่าพอคุมมันแล้วมันก็จะสงบ แต่ว่าบ่อยครั้งนี้มันก็ไม่ยอมอยู่ในอำนาจของราก็คิดฟุ้งซ่านการไปว้หลว่าเทียนนท่านอนุญาตนะอนุญาตใช่ใคิดได้เพราะว่าสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าคิดน้อยหรือคิดมากสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่ารู้ทันความคิดหรือเปล่านี่สำคัญกว่านะคิดน้อยแต่ไม่รู้ทันมันหรือสงบแต่ไม่รู้ตัวว่าสงบ หรือหลงในความสงบนี้นี้ไม่ดีแต่ถ้าไม่สงบรู้ว่าไม่สงบอันนี้ดีกว่ามันจะคิดน้อยคิดมากก็ไม่สำคัญเท่ากับว่ารู้ทันความคิดนั้นหรือเปล่าอันนี้เป็นการฝึกให้รู้ทันความคิดและไม่ใช่แค่ความเพียงเดียวรู้ทันอารมณ์ด้วยไม่ว่าอารมณ์ฝ่ายบวกหรือฝ่ายลบแค่รู้ทันเนี่ยก็ทำให้ความคิดและอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมัน สงบหรือว่ามันหมดพิษสงลงเพียงแค่รู้ทันเนี่ยมันก็ทําให้จิตสงบได้เป็นความสงบไม่ใช่เพราะไม่รู้เป็นความสงบไม่ใช่เพราะห้ามคิดแต่เป็นความสงบเพราะรู้นะคือรู้ทันนะรู้ทันความคิดและอารมณ์รวมทั้งรู้จักธรรมชาติของใจด้วย เพราเถี่ยนั่นเคยพววูดเนี่ยยิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะยิ่งคิดก็ยิ่งรู้คิดในที่นี้หมายถึงว่าคิดฟุ้งซ่านนะเพราะนั้นปล่อยให้มันคิดฟุ้งซ่านไปรู้ที่ว่านี่คือรู้ทันนะใหม่ๆเนี่ยคิดฟุ้งซ่านไปสักร้อยเรื่องนะอาจจะรู้ทันสัก10 20เรื่องหรือส0บยแต่พอทําไปทําไปเนี่ยมันก็จะรู้ทันมากขึ้น 30-40% อร์เต่อไปมันก็จะรู้ทันมากขึ้นเป็น 50-60% เป์เ็นตเป็นต้นนะแล้วพอรู้ทันเนี่ยนะมันก็ทำให้ใจสงบลงได้ไม่ยากอันนี้มันเป็นวิธีการหนึ่งนะที่ช่วยทำให้เรามีความพร้อมในการรับมือกับความไม่สงบหรือพร้อมเจอความไม่สงบ เมื่อมันเกิดขึ้นคือเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็รู้ทันมันไม่ปล่อยให้มันเข้ามาครอบงำใจหรือไม่ไปไหลาตามมันและพอเราพร้อมเจอความไม่สงบนะในที่สุดเนี่ยเราจะพบกับความสงบเองแต่ว่าถ้าตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเนี่ยจะขอมุ่งจะเอาความสงบ แต่ว่าไม่พร้อมที่จะเจอความไม่สงบเนี่ยมันจะยากนะที่จะพบความสงบได้ในทางตรงข้ามเนี่ยถ้าหาพร้อมเจอความไม่สงบนะในที่สุดเนี่ยมันจะพบความสงบเองเป็นความสงบที่เกิดจากการรู้ทันความคิดและอารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเรา อย่าไปงหงุดหงิดอย่าไปผิดหวังนะที่มันมีอารมณ์หรือความคิดต่างๆเกิดขึ้นเพราะถ้าเรายิ่งหงุดหงิดยิ่งลำคาญเรายิ่งทุกข์ยิ่งไม่สงบอนุญาตให้มันเกิดขึ้นถือว่ามันมาเพื่อฝึกให้เรารู้ทันมันมาเพื่อฝึกสตินอกปฏิบัติเนี่ยถ้าหวังแต่ความสงบนะแล้วก็ไม่ปรารถนาแล้วก็ไม่อยากจะเจอความไม่สงบไม่อยากเจออารมณ์อกุศลนี่ อันนี้เแสดงว่ายังไม่รู้จักธรรมชาติของใจแล้วก็ยังไม่มีความพร้อมในการที่จะนำพาจิตให้เข้าถึงความสงบอย่างแท้จริงและพอเราพร้อมนะที่จะเจอกับความไม่สงบหรืออารมณ์อกุศลอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาในใจนะต่อไปเนี่ยเราจะมีความพร้อมในการเจอกับผัสส ะ, ะที่ เคยไม่พึงพอใจมาก่อนนั่นคือรูปรสกลิ่นเสียงนะแต่ก่อนเนี่ยเวลามีธรรมอารมณ์ที่ไม่พึงพอใจเกิดขึ้นเราเออเราไม่ผลักสายมาเรายอมรับมันเราแค่รู้ซื่ อ, อแต่ต่อไปเนี่ยมันจะความสามารถในการรับมือกับสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจมันจะขยายไปนะจากธรรมอารมณ์หรืออารมณ์ความคิดในใจไปสู่สิ่งภายนอกเนี่ย เสียงที่ดังภาพที่ไม่น่าพึงพอใจนะอันนี้เรียกว่ารูปนะีกลิ่นเหมือนกันนะหรือว่าสัมผัสเช่นความเจ็บความปวดที่ทําให้เกิดทุกขเวทนาเวลาเกิดความปวดขึ้นมาเออก็อยู่กับความปวดได้โดยใจที่ไม่ทุกกายทุกไปแต่ใจไม่ทุกนะจํากัดทุกขเวทนาให้เป็นเรื่องของกายแต่ว่าใจไม่ทุกด้วย นี่เพราะว่าเรารู้จักนะรับมือกับความไม่สงบที่เกิดขึ้นในใจกันนี้พอรูปรสกลิ่นเสียงัมผัสที่ไม่น่าพึงพอใจเกิดขึ้นเราก็รับมือกับมันได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์ถือแม้ใจกระเพื่อมอแต่ก็รู้ทันแล้วก็วางมันลงนวางทั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็วางทั้งรูปรสกลิ่นเสียงที่มากระทบแล้วต่อไปพอเจอเหตุการ ที่ร้ายๆที่ไม่พึงปรารถนาพัดพลาดจากของรักของพอใจประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจอย่างที่เราโศทุชาเนี่ยเราก็สามารถจะรับมือกับมันได้เจอความเจ็บป่วยเจอความสูญเสียทรัพย์สินเงินทองก็สามารถที่จะรับมือกับมันได้เพราะเห็นว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติที่มันห้ามไม่ได้เรารู้จักที่จะอ่ะ รักษาใจนะไม่ให้เป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันก็เกิดขึ้นจากการที่เรารู้เคล็ดลับนะในการรับมือกับอารมณ์ที่เป็นความทุกข์เนี่ยัน่นคือรู้สื่อหรือมีสติรู้ทันหรือว่ารู้จักทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยน ะ, ะเวลาเรามาที่นี่มาปฏิบัติเนี่ย อย่าหวังแต่ว่าจะพบกับความสงบในใจนะแต่ให้คิดต่อไปว่าเนี่ยเราต้องพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญความไม่สงบเมื่อมันผ่านเข้ามาในใจด้วยมันเกิดขึ้นก็ไม่ไววายตีโพยตีพายหรือว่าผักสมันนะยอมรับมันอนุญาตให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ไม่ปล่อยใจให้หลงเข้าไป ในอารมณ์เหล่านั้นพุทธะคือเห็นไม่ค่อยเป็เป็นหรือว่าแค่รู้ซื่อๆอัออยนี้พุท่ธนี้นะอ๋อครับ